ม alloy, am alloy, am alloy. So mm ีพวกที่ทำงานแล้วก็มีพวกที่ติดตามมาเจอขอเรียนแต่ของพ่อในเรื่องปัญหาในการปฏิบัติธรรมเี็นคำถามก็คอนเชิรเลยครับเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เทศ์นะฮะไม่ไม่ต้อเทสต์นะัซีดีถูกข้าวแล้วเหมือนกันทุวันมีเรื่องมีที่ถามนะของเรื่องที่เราภาวนาจริงๆที่เดี๋ยเอาคาถามมาเทส แต่พิจ า, ารณาเวตาฟิสิกส์ใ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มั น, นแฝงเล่นสนุกสนุก่เคยเปยระโยชน์อะไรถ้าเราภาวนาจิงงแปัญหามันไม่มากคิด <c oughs> ว่าแรกเลยจิตของเราถูกต้องนะจิตเรามีคุณภาพต่อที่จะเริดัิจารณาได ที่สองก็จิตเราพร้อมแล้ว เ, เราได้เจริญปัญญาแล้วแค่้นึ่นงสุขไหมจิตที่มันไม่ขุดมีสองงานง่นหนึน่งมันผ่อนแอไหลตันอีกมีงนานหนึ่งจบโหกบังคับตัวเองมากเกินไปเจ้าสอนให้เราเดินทางสายกว้า ต, ไไต้องคับมมากต้องใส่เยอะปล่อยเยอะๆปล่อยตัวปล่อยใจตามกิ่เด่ดนเองแส่เกอะๆต้องเมตไ่ไในการดำเนงชีวิตของจนที่องภาวนาประสบความสำเร็จได้เร็วแต่คที่ทำได้ชา้ามีเอนไขที่แตกต่างกนันมากน้อยไหมสังโดนไหมทรับถูกีหรอเปล่า การลดความเพียรมีสติมีสมาธิไหมเจริญปัญญาสหมคารวะาระมเมที่สันโดษสันโดษแล้ยินดีในสิ่งที่เราได้แล้วเราทำเต็มที่แล้วเราพอใจเรมีความาสุขในผรงานที่เราทำน้่สันโดษตา่างๆพระมงค์จะกินมากน้อย งานหมายถึงเงียบแบบได้เยอะเปลาน้อยไม่ตุกลีตุกรีทั้งวันไปไม่รอดแต่ถ้าตุกตีกันเข้าวัดนะหลวงพอรู้ก่ไปหาสุภาจันทร์มีเครื่องไปด้วยไปกันสองคนัามคนไปเรียน ภาวนาคนเดียวรุ่นเงิองนะันก็หงาบางทีเราเขาถอยมีคนภาวนาด้วยมีเสื่อนภาวนาด้วยกันดึงเงินไปสุดกันไช่วงนี้ศรัทธาเราตกเขายัางศรัทธายขาดึงช่งีวิริยะเราตกเขายัางมีวิริยะาก็ดึงช่วงนี้เราชักจะหลงโลกเรามีสติเขาก็จะดึช่วยกัน เรจับรือง ว, วันไหนเราพบกล้สติสมาธิปัญญาเราดีขึ้นเราพบกับภรรยาในพบแล้เสื่อมไวกหาหา็ห่างๆถ้าหากรยาไมนี้ไม่ได้่็แค่สอนข้าไปคนเดียวสอนจนขณะดแบบตื่นเที่ยไปคนเดียวเหมือนหนออแท้ไม่ใช่หน่อระสู้นะ <c oughs> สู้เรางมีสองอนะ <c oughs> ถ้าไม่มีกระยาด้วยไม้ใง้ใครคนเดียวนสักเรายังมีหมอคงสักทีม่มีกระยาด้วยมี็อย่างดีคนที่ได้รับคม่หอุแล้วทั้งเรื่องไขการดำรงชีวิตของเราดีแล้วเราก็มาเรียนรู้วิจีการปฏิบัติที่ถูก สมงานะ ส, สมาธิและปัญญาสาสาและัสมบัมตรู้วิธีรูมวิมธีแล้วลงมือทำให้ช่วงวยจะทำแค่หนึ่นงแ่เงมาอหลวงข้อพอ น, นามาหงพอในแตเด็กชอบพอนะในเด็กถ้พ่อพาไปหาท่านพอดีที่เจ็ดคนศานะนะนะสนาและลัทธิทำให้ตัวเลือกอง กลับมาบา้านถึงเวลาเล่นก็นเล่นยังเด็กถึงเวลามาไห้ศเวลาวลาันเกิดวันปีมาผู้ใหญ่ก็ซื้อผ้าเช่อตัวใหญ่ๆสีเหลืองเอามาหอนะรอดจากตายเลยเอามาเสดม็มลเล่นหย่าง เวลาเล่นกัเพื่อนวิ่งไล่จับเราวิ่งจับเขได้เขาไม่ยอนจับตัวถึงคราวเขาไล่จับเรก็ไม่วิ่งเลยว่มือคว้ามือเรได้จับจับตัวได้แล้วไี่จับมือไม่ใช่จับตัวจับหัวเนาะคว้ารวบตัวจับจับแขน จับเอวก็เพ <c ười: c ười> ื่อจับเอวจับซ้องมันก็เคยเจริญปัญญาเนะจะดูว่าตัวไม่มีใสสิบขวกใส่ไม้แก้บ้านไมเต็นท์จุดแฉกเรื่อดูหินเหนือแน้วบ้างเรื่องะเกื้ร์อนไรับ เห็น ไ, ไ, ไปไหม้ใกล้ๆวารูปหินไม่จริงเนี่ยไม่ตับใจจริงบอกปิตับใจกลัวฟารูปหินมัมมมนวิ่ง่บอกข้อก้อที่1ไม่รู้สึกตัวข้อที่สองข้อที่สามเหมือนปิสวิทุกข์ขึ้นารู้สึกสสตัวร่วล้อมใปสว่างสงบก็แปลกใจตัวเองความกลัวหายไน ไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังทจริงสติมันเกิดหมถ้าเราเคยทาแล้วมันหายง่ายตอนไหนยังไม่เคยทําแล้วงปรเปียนอ่ะไ <c oughs> ายตัวแทนหรือบอกก็ไปไม่นอ้นี่ก็คือยืนดูผู้ใหญ่เขาตกใจตอนี้่ตกใจผลของการสุดยอดขอรข้าพบทธเขาติได้จริง เราโทวนาวราได้ยอไปได้ยังไงไม่ไหนที่ไม่มีเพราะว่าศาสนาใจมันจะวางเวงไม่ได้ชั่วนะแต่มันวางเองมันไม่มีจุดหมายปลายทางของชีวิตไม่รู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรมันไม่ได้ทาชั่วอะไรใครเขาทำดีอะไรก็ทํำทำทำานรักษาศีลเรืงสมาธิก็ทำแต่ในใจเลึกๆมันวางเวงมไม่มีจุดทาง ด้ไหนไ ก, ก็ต้องศาสานาผมกใสมรู้สึวชีวิตมีเป้าหมายที่ชักเจนย็หลวงพ่อไปเจอบุตรุญตอนอายุยี่สิบเก้าตั้งแต่เจ็ดขวบไปยี่สิบกันำศาสนาต่าก็คดอวยตอนเด็กๆทำไม่เป็นทำแล้วอกโ้อ แล้วก็มันสว่างเลยฉาย้หมือนฉายสปอตไลท์ไปแสงส่องไปถึงไหนถึงตรงนู้นเห็นไปขอบนู้นกเที่ยวข้างนอกทำไปนานๆไปไม่สุดไม่เห็นได้ไ mm hmm. แลบก็เกิดชักกลัวไปเจอเทวดาไม่กลัวกลัวว่าไปเจอดี mm hmm. ไอ้ใจความเจ็เพิ่มแล้วก็เปลี่ยนจังหวะในใจแรงขึ้นนิดนึงรู้สึกตัวกับไอใจต่อไป ใจด้วยความรู้สึกตัวให้จด้วยความรู้สึกตัวตรที่เราหายใจแล้วรู้สึกตัวนี้เราไปหยับมือแล้วรู้สึกตัวยังไม่ได้เริ่มมีศาสนาเนี่ยเด็กที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตจิตจะได้ต้นทางกับแค่ต้มถังคือทันทีที่เรื่องจิตชิ ด, ช, ดชิดกรต้นรู้สึกตัวและความรู้สึก ยังไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้เลยเฉยสนตากอย่างนีน้มันรู้สึกตัวได่แล้วตองรู้ดิธีฉดุันอย่ญญางตีนแรกก็ไม่เข้าใจวิธีเิดุพันธ์อย่างเไม่เคยเรารู้ว่จิตไรหลวงปู่ดู่บอให้ดูจิตเรารักษาจิตเป็นจิตมัไหลไปกนงอารมณ์ถ้าหาทางที่ทางแยกๆให้จิตหลุดจากอารมณ์จิตตั้งในตัวรู้อยู่ วตัวเด็นฝึกอยู่สามเดือนได้แต่โดูดึสอดจิตตั้งมั่นเด็นเดือไปอกาะข้ก็ดูจิตเนแล้วเนี่ยดูได้ทั้งวันไม่ไม่หนีไนถ้าอกทาให้ถูกยังไม่ได้ดูจิตเนแทรกแ ส, แสงจิตแทรอานาทานิจิตจะมีอาการเคลื่อนไปก็ไม่ให้มันเคลื่อนให้ฝึกไปได้่อท่านบอกว่าทำผิ็ให้ดูจิต มันเรืดูดูเนี้ยต้องไม่แต่งจ yes. ิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นเนี้ยเราเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็สุบจิตก็ตุกเดจิตก็ทีดีจิตก็ายหมุนอยู่นี่เท่านคือสี่เดส่งกันดาเข้าใจไหมใจสื่อที่ทั้งสช่วยตัวเองได้ก็ดูมาเรื่อยๆการสุดท้ายที่บกัน ก็ ต, ตัวว่าเราจะหลงติดเรื่องสอนควบคู่รู้ให้ทาลายควบค่รจิตทห้ทำลายจิตอจิเป็นสุด่จิตสอนถงประโยชน์นะะาลาาสาสะเพื่อพระพุทธเจ้าอะไรคือพระพ้ทธเจ้าจินกกตนี่คือตัวสอนควบคู่รู้ทลายควบคู่รู้ จิตกำไลจิตนครพิเศษให้ขาศึถ้าเรารก่อนาวันนึงเราต้องพุทธเจ้าะา่เดืเอ น, นก็รับอิเลี่ยมเป็นแม่จันดีแม่จันดีเป็นเด็กนิยเป็นน้องตางงงน้บัววัวหามหีมาถูหาัวรับอ่ยมขาดหก็ เป็นแหมว่าพระพุทธจนจิตเป็นอันเดียวกั น, น, นเปนอาเนมว่าพระพเจิตเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันได้พระพุทธจ า, า, า, ามีการนามีกราสกไมีกานามของท พระามีป ah. ัญญามามีปัญญาเหมือพระพุทธเจ้าพระทีความริสุธสมิสเพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันรความริสุทธเมื่เห็นถึงความบริสุทธิ์ของจิตแล้วเข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันาเปเดียวกับพระพุทธเจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่ปรยาไม่ใช่สิ่งที่คิดเล่นๆแต่เป็นท้ เป็นทิปตนะ์ี่ออยถึงเราจะเข้าถึงสัจจะตรงนี้ได้ต้องเห็นความจริงต้องมาเรียนรู้จากความจริงอารมณ์ทั้งหลายมีสองส่วนอารมณ์ที่เป็นความจริงและอรมณที่ไม่ใช่ความจริงอารมณ์ที่ไม่ใช่ความจริงเรียกว่าอารมณ์ท่านใหญ่ อารมที่เป็นความจริงที่เราต้องเรียนรูน้อารมณ์รูปหนังอารมที่เป็นความจริงสุดๆอย่างนี้มาเรียนรู้อารมรูปหนัอความจริงไม่ใช่คิดนะดูลงไปว่าจริงๆกานี่เป็นอย่างไรดูลงไปว่าจริงๆจิตนี่เป็นอย่างไรจะดูความจริงได้จิตต้องตั้งมั่ ต้มีสมาธิที่ทําเึ่สนสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่เกิดปัญญาทมีปัจนาไม่ได้นักปฏิบัติเกือบร้อย ล, ลไม่มีสมาธิชนนี้เมื่อสสิปีก็่ผ่นะคนที่ได้สมาธินี้นักัวได้แต่วันนี้มีเยอะ มีน้อยเป็นพัที่ไปต่เต้าเร็นเทศตามหงประชุมบางองคกรประจักวบ้านมาแถวทางจิตใจเป็นผู้ร่วผู้ปนผู้ดลบาจิตใจของด้อมสำหรับชื่อเสยงับเัมของจิตในท่นจะ่ชวงกันทำสมาธิ จิตตั้งมัน่นกอนควรแก่การงางนทีนี้นันน้อมจิตชนิดนี้ไปเพื่อให้ใหเกิดอย่างทัฒนาเราพวกเรายัางไม่มีนะยังไม่เห็นต้ <c oughs> มีจิตคิดไม่ใช่จิตรู้ <c oughs> ส่วนใหญ่ยังไม่ได้นะ <c oughs> งั้นยิ่งเราคิดเท่าไหร่นื่อเท่าัคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดเราคนมั่วนะไปตักประโยชน์สุดท้ายของแท้จริงคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นันต้องต้องมาคิดปฏิบัติมุ่งไปสู่กางนั่นคิดคิดธรรมชาติจิตมีหน้าที่คิดถ้าเราคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นขณะที่คิดเนรู้ไม่กลับในขณะที่รู้ไม่คิดแต่ประโยชน์สุดท้ายคือต้องอาศัยคิดเมื่ออาศัยคิดไปแล้วมันจะเกิด สุดเกิดทุกข์เกิดกุศลกุศลเกิดความหลากหลายของจิตคือในขณะนั้นเราไม่คิดความสุขเกิดขึ้นเราไม่ได้ไปคิดว่าความสุขเป็นยังไงความสุขมาอย่างไงมันแค่เป็นสภาวะที่จิตมีความสุขเพื่อความสุขก็จะสอนใจลับตัวจก็จะดักให้ดุจิตที่มีความสุขก็ดับไปซ้อมๆกับความสุขเราคิดเรื่องนี้ไป เกิดความกลวเรามีสติเลียดูความกในขณะที่เรารู้ความกวไิดหรอของจริงเั้นโดยธรรมชาติเลยคิดไปหรไปคิดไปแล้วเกิดสุกิดฟุ้งิ้สนอรู้ไม่ต้องไปตลาย เป็นทุกข์กุศลกุศลชุเกิดแล้วก็ดับให้ดูจิตที่เป็นทุกข์จิตที่เป็นทุกข์ที่เป็นกุศลกุศลจะดับให้ดูการที่เราเห็นสภาวธรรมทั้งหลายเกิดวดับไปเกิดแล้วดับไปมันจะช่วย้างความเห็นผิดมีสิ่งซึ่งเป็นรมตอยู่ตัวเราพวกเราอย่งรู้สึกคือความว่าจิตนี้มีตัวเราอยู่ตอย่รู้สึกเนี่ย ตัวเราคนนี้กับตอนเด็กๆคนเดิมตัวเราคนนี้กับตอนเมื่อเช้าคนเดิมร่างกายเปลี่ยนแ ต, แต่ตัวเราเป็ได้เหมือนนเดิมต้องเห็นภาวะที่จิตเกิดดับหรือไอตัวที่รู้สึกเจตจำจิตเท่า น, นีน้ถ้าเห็ น, นจิตเกยจดับได้เลยดูไม่มีอะไรเป็นธรมติเลยู้ทั้งหลายเกิดระดับทั้งช รู้ความจริงว่าสิ่งเท่าไรเกิดระดับและสิ้นได้เป็นพระโสดาบัพลังความเห็นผิดว่ามีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรธรรมาอันตาตัวตนนี้ไม่ใช่ความรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นสาวแต่เป็นคิดผิดเป็นความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรคนที่แฝงใต้เป็นชาวผู้ชนแต่เป็นนิชาพิดจิ คิดว่าตายแล้วจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่ย้าๆอย่า ง, งนี้ก็ไม่เคยเห็นว่าจิตนัจจ้นเกจากอยู่ทุกขณะถ้าเราเห็นจิตมันเกิดจากอยู่เรื่อยๆจะล้างความเห็นจิตเีงการที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงสัจธรรมมีทางเดียวคือเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นกวามจริงเพรนั้นเราจะล้างความเห็นจิตเพื่อมีตัวตนได้ ก็ไปดนะูในใจนี้นะเราไปตัวตสมีจะเกิดรกดับมีจิตนี้มีจะเกิดระดับ เ, เ, เ, เ, เ, เป็นซ้แลาวซ้ำอีกเนาปนเจ็ด ว, วันเจ็ดเดือนเจ็ดปีล้างความเป็นจิตตั ว, วนี้มาเรีก็เาว่าหนะมัยทำไพิธการท่านเราจเลยิ ป, 3, ปักษ์เจตันเจตเดชเจตีเจตาทหารหรืหารหาราเพราะว่าไม่ได้โสดาบุญนักไหน ของเราไม่ได้โง่เามือนสมัยรัชกาลสมองคนเมื่อสองพันกว่าปีก่อนจะโตกวีเพือเ่อพอต่อันไม่โง่ไม่ฉลาดาลอะไรแต่เราิมากไปาิบมากเมื่อเร า, าเห็ น, นความจริงใหได้ ที่จะเห็นความจริงก็คืออยู่ต่อจากโลกของความคิดเท่านั้นจิตนี้ป็นคิ ด, ดตวการจิตกระดูกเะจิตอยู่ตอจานโกของความจริงเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้แต่อย่ารู้สึกอยู่เฉยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดงมันเมื่อเป็นความเสพ <c oughs> ิดรู้สึกตัวมันใช้ได้แล้วรู้สึกตัวเ็ต้นตนการปฏิบัติคือเป็นจิตขั้นต้นที่จะทำวิปัสสนา คำว่าวิปัสสนาธรรม า, าต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ต้องนะต้องเห็นความเป็นไครลักของรูปนามต่างใจรู้สึกตัวอยู่เฉยขออเปล่ามัจ mm ิต hmm. ได้ดูทำยากก็สำหรับลูกก็ช่วยกัน ก็บอกว่าไม่มีกิเลกเลกหลบหทั้งนั้นใครมีคำามหือการิังเชิญได้ใคำจิตตั้มั น, น, นะมนจิตตัามันาม่นรู้จักจิตลไปถ้าเรารู้จักจิตหลไเราจะรู้จักจิต ถาเราไรู้จักจิตที่ไหลไปเชื่องไปลงไปจะไม่รู้จักจิตตั้งจิตไหลในทางตะวันพระโขหดูเรามดูออกาอดู่ว่ามีกีชนิดยังไม่สัมผจิตโมมาอยู่ทีเีนณะที่จิตโยมมอยู่ที่ยมีกาืมกมีจิตรอบไห จิจิตนั้ตั้งมั่นจะทำให้รู้การูนใจถ้จิตไหลเม่ไหลไปทางตาเมาคือผู้ใจรู้ใจหลไปทางหูือู้ใจลูใจหลไทงิดเรคือใจรถ้าเมื่อไห่รู้กันวิตไหลจิตที่ตั้งก็จะเกิดขึ้นแคะนั้นเองหลวงพบรรยายไม่ได้มันจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงต้องสัาผัสด้วัเองจะสัมผัสด้งได้เมื่อรู้จิตที่ไหล จิตไหลไปแล้วเรารูกันจิตจะตร้างอะตในตนนีหลาอจิตคำว่าจิตฟุ้งซ่านดีก็คือคือนี้แหละจิตจิมีวุตจักรจิตมีมีโมหะจิตหลงจิตไหลเนยจิตโมหะทั้งสิ้นเลยจิตมีวุตตจักรเนี่ยในโลกนี้บางคนที่รู้สึกตัวยากที่สุดมันมีแต่จิตที่หลใไปไหนจิตมีความอยากอนี่ เรือ่อไหนแค่รู้เ่านั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ต SO e> ้องทํามเยอะจิตมีความอยากมันรู้สึกมันจะตันขึ้นลังก็หมความรู้สึกมันจะตันเองตัวนี้เรียกว่าตันตัวนี้จะเป็นตัวโบกบารสฤติกรรมทางใจมั้มควบคุมจิตใจได้แล้วอันนี้ก็ใช้จิตใจที่มันกลุ่มแล้วมาควบคุมพฤติกรรมสางสายแล้วัฏจากการปฏิบัติมัน เม้ความอยากขุดขนมีสติรู้ตันจะเห็นว่ามันกุดขึ้นได้เองเะอไม่ได้เจตนาอยากพูดเลยใช่ไหยมันเกิดขึ้นได้เองแล้วมันก็ดับสิ่งทั้งหรายเจอแลดับทั้งสิ้นดูแบบนี้ยีิดูจบำคำ <c oughs> ถามยอมจอีกแล็ย <c oughs> อยาออ <c oughs> ทํานยังง่ายอยู <c oughs> <c oughs> ่ผยคือคืออารมณ์ปริมาต พรมามักับอารม์บัญญัติโยมดูอารมณ์ปรมัดไม่เป็ น, ปนค่ะค่ะโยมดูตัวนี้เมื่อกี้ยมเห็นความอยากที่ปุดขึ้นไหมที่อยากขาน่ั่นเห็นั้ น, นตนันแหละอารมณ์ปามัไมันเป็นความรู้สึกแท้ๆคนไทยอยากหรือรั่งอยากไม่คนจีนอยากอันเดียวกันม้าอยากแมวอยากเทวดาอยากลักษณะเดียวกัน ไฟร้อนคนไทยไปสูบก้ก็้อนความร้อนเป็นของจริงคามร้อนจะเป็นรูปเดค ว, กกวามอยา ก, กเก <c oughs> ิดคอันั้นแสดงว่า อ, อารมณ์ของจิตกับอาการของจิตต่างกัน เ, เ อ, านอารมณ์แต่ว่าอะไรอารมณ์แต่ว่าสิ่งที่จิตไปรู้ไ้ไม่ใช่อิมชันนะอารมณ์คืออาบติ คำว่าอารโมณ์อรมรแปลว่าสิที่ถูกรู้จิตคืออะไรสิตคือตูดจะรู้่ารมันเป็นน้ยามสกมข้อตรงชาวพุทธคนไทยเราคำว่าอารมณ์มาใช้เนื้อส่วนนั่นเดียวกับเป็นข้อออบเจกสิครับรไหม่าแต่ไหนเนี้จิตมันแน่ น, น, น, น, น, น, น, น, น แน่นๆแข็งๆ ข, ขึ้นเพาอะไรเพราะโลกอยากปฏิบัติให้อยากกรดุก่อพ อ, อ, อเติมที่เมื่อกี้อมถเนี่ยที่บอกว่าจิตตั้งมั่นและเป็นกลางอันนี้ถ้าปฏิบัติเนี่ยเป็นปฏิบัติทั้งสองวิธีสองอย่างหรือว่าให้จิตตั้งมั่นก่อน ไม่เป็นกางหรือการว่าเป็นกางเนี่ยเป็นกงได้หลายแบเป็นกลางก็งนนกงสติเช่นความปวดเกิดขึ้นเราไม่ชอบความปวดเรามีสติรู้ตันว่าไม่ชอบความปวดจะรหความไม่ชอบดับปุ๊บความปวดก็ดับไปนี่ก็เป็นควางม่กลางสติอีกงานหนึ่งกลางขกางวกสมาธิ ไม่สุขไม่ทุกข์อะไป็นกลางนิจลางของเวทนาเป็นอีกเรื่องหนึ่งของกลางของความรู้สึกกลางที่เราต้องการนิจกลางนี้ตัดขากลางด้วยปัญญาเนี่ยหาถึงว่าจิตได้ผ่นกระบวนการเรียนรู้ซ้ําแล้วซ้ำอีกจึนเห็นว่าความจริงว่าความสุขก็ชั่วตาความสุขก็ชั่วตาทุกสิ่งก็ตาเมื่อจิตเห็นว่าทุกสิ่งเป็ของชัวตาไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นจิตจะเป็นกลางไม่โตของตัวน เป็นกลวปัญญาปัญญาจิตทำใหิจิตเป็นกลางชื่อว่าสังขารุเปกขายาสังขารุเปกขายานเป็นเป็นที่ตัดสัญญาณตัวสุดท้ายแล้ือบสุดท้ายแลวตจากนั้นนอนุโลมยานที่เนื้อตัณโมมัตต์มตยไปเกิดโทรักูญานมคายานโนิยานตัวี้เกิดจะตโมมัตต์จะเอง นั่นใช่จว่าไปแล้วสังขาดเต็มท้ายยาเหมือนเป็นกระสุนแห่งการรป็นญาริมากกวเรามีหน้าที่ปฏิบัติอาชีพแค่เห็นความจริงของทุกสิทุกอย่างในเรื่องจนเขาเกิดปัญญารู้แจ้งว่าสิ่งเท่าไรทั้งหมดนี้เป็นของเข้าเทียงกั่เือความสุขกับความทุกข์เข้าเทียงกันกุศลกับกุศลเข้าเทียงกันแว่มสในเข้าเทียงด้วยปญญามยิ่เข้าเทียงด้วยความเป็นสจดก แต่ถามว่าเราเห็นว่ากุศลกับอกุศลเท่าเกียมกันหเราจะทำชั่วไหมทชั่วไม่ได้พราะผลของการทำดีกับผลของการทาชั่วไม่เหมือนกันเราก็ทำดีไม่ได้ทช่วแล้วเราทำชั่วไม่ได้จริงๆหอกสติมาเลยกิเลเกิดแล้วสติไม่เห็นเนี่ยมทำชั่วไม่ได้ถ้ามีสติอยู่จิตจะไม่ชั่วเด็ดขาดเพราะพวกเราต้องพาให้จิตของเราเอางได้เรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ่เห็นว่าทุกอย่างมากก็ไปทุกอย่างหมดก็ตาย่างใจยนี้ร่างใจที่หเซลล์ออกมาแล้วก็ไปกลายเป็นร่างกายหเซลล์ขาว่ายหายเซลาวหน้างายใจยเซลลาว่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ทำงานเปลี่ยนแปลงเป็นของชัวคราวที่หดจิตใจสุขิตใจทุกข์ร่างกายสุขร่างกายทุกข์ก็ชวราว จิตใจเป็นศู้สอนผู้สนคจิตที่รับตัว่าหลงทางตาทางหูทางใจก็โชคดีสังเห็ไม่ตั้งใจฟังื่อทีก็มองหน้าหรืวรับตัวหลงทางตทีก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็เอาไปคิดแปลเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเดี๋ยวดูเนี่ยจิตเกิดแบบเราเข้าดูเป็นเหตที่อยาเปี่ยบอย่างนี้เทาเทียม ด้คมเป็นไ น, น่ี้ช่งาชั่งหลจิตจะเข้าสุ่ความเป็นกลางสเกิดขึ้นจิตไม่ยินน้หนวเข้าไปยึดสู่สมเกิดขึ้นจิตไม่ยินน้หนวดตัดใส่จิตหมดความที่มนดเมืนอน่อจิตหมดความยดหมดความหลงแตกยมีสังสาระครคือเนผ่านาก็แจ้งขึ้น <c oughs> ถ้ามเป็นกลางแคมีความต่างสั กกับเชื่อมหมาย้าเกิความเปล่ลังหมดความเรื่อมหมมันน้าสองตันต่อข้ออันมันสูงอันมันตเนเครื่องหแต่ถ้ามันเท่าเสียงกันจะไม่มีคอาเครื่อมหมายเดขึ้นอุปสนุปอุปสนุปทุกเ่าเทียมกนจิตสมุดควาเื่อมหมยถ้าจิตหมดความเชื่อหมหมดคามเปลนแปงเรจะเห็นธรรมาที่มันกัลี่นกน จิตของเรามีคุณภาพแค่ไหนเราก็เห็นสภาพร่างแค่ไห น, หนวนนหันวันไห น, น, นจิตใจเราสศร้าโศกหรืโลกเศร้ากหรือโลกห่วยน่อยันไหนจิตใจเราร่าเลยโลกก็ดูสดใสเป็น่อยวันไห น, นจิตใจเราเข้า ถ, ถึงกลานกลางสัญญาโลกดูสดราบเป็นามากนหลอกครูบัอาจารย์ภาวาจนโลกราบเป็นมากหรอกของจริงเรื่อนี ตต้องนนะคิดเอาไม่ได้พวกเราคิดเดยอะรับที่จากตัวแล้วคิดเกว่าดูิ <c oughs> ดเดยวกว่ารู้อันนี้เป็นความราบเรียบไม่กระพริอของลัคนูปนิชานอันนี้เกิดเปิดเกิดได้ลัคนูปนิชาเนี่ก็เดินวิปัสสนา ในนิพพานสุตริีก ข, ข้าวฉีกสรางขาวนุกเจ็บขาวอย่างไตรงนี้จะเป็นรอยแยกพวกหนึ่งเจ็บใคุเพุ่อกระพอมาถึงตรงนี้แนละ้วเน่ยเรารึ้ถึงเพื่อนของผู้สารทั้งหลายโอ้ว่า่อนเราก็ไม่รู้อย่างนะี้เราทำห่างทางท่นเป็นท่านใช้โศสารนะอยากแค่ครู้ว่าใจไม่ไปมาก ถ้าใจเห็นทุกเหตโทของวัฏฏะอย่าีจะเกิดมากลมีเขาเรียกโพธิปุยานิยานมวนเสือนั่นเองโพธะปูยนี่เกิดมาผลได้นอนเกิดได้นอนชั่วขณะก็เยอคือตอนนั้จิตจะเข้าปนาหรือไม่เคยเข้าปนานเลยในลานั้นจะเข้าปนานโดยไม่เจตนานั่งเล่นดูต้นไม้ดูลมพัดใบม้ไหวอยู่ จิตปัญญาแกะร่างอข้อ่นโจวแบบเดียวเสร็จแล้วมันแกะเห็นสภาวะขนาดนั้นสมาธิเนมรติเกิดขึ้นจิตจะรวมลงที่จิตสติเนธรรมเกิดขึ้นสติกะรวบลงที่จิตโดยไม่มีเจตนาสมาธิเกิดขึ้นเาะตนไม่ได้เจตนาสติเกิดขึ้นเพราะไม่ได้เจตนา เห็นสภพาะว่าธรรภายในเกดับสองสามมีน้ำมือก็ชิดชิดมสภาวะธรงมภายในเกิดดสองสามแต่สามารถอะไรเกิดได้ไมได้คิดอะไรก็ไม่มีสมมติปัจจัยมีแตสภาวะเลื่อนเลื่อนหลังจากนั้นถ้าจิตจะแจ้สติสมาธิปัญญาบริภูรณสมดุล ตัวนี้มันอัตโนมันตมด้วยสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นได้แต่ธรรมะเนี่ยไม่มีความจงใจเมื่อปราศจากความจงใจความจงใจไม่มีศัพว์เลี้สมองที่มโนสัญญาจตนาตัวนี้ร้ายกาศที่สุดนัปฏิบัติเนี่มันกายผายมนมโนสัญญาจิตธรรมไ่ไดมจงใจไม่ได้ลบไนิดหนึ่งก็จงใจนะดูซะหน่อยสิ วันนี้จิตเป็นไงเสร็จแนละ้วแต่เรื่องต้นต้องจบจากตัวตอรรถนโ ม, น, นะ น, มนั้นเพราะทุกอย่างอรรนนั้นมโนสัญญาเจตนาไม่มีมโนสัญญาเจตนาเนะี่ยเป็นตัดใจให้เกิดการจะทากรรมของจิตให้จิตทำงานช่วยปราศจากมโนสัญญาเจตนานะสติสมาธิปัญญารนะู้เมืงอรรนมันนะ้นโดยไม่มีการสร้า ง, งม่คิด สิเจ็ดคนากผมไปเห็นอนิสฐานไม่มีใครสอนลยตรงนั้นจะเป็นเรียกสัญญาบริสุทธิ์แล้วไม่ไม่เป็นคือนในปฏิปทานสี่ก็มีว่าเมญัตนาหกแล้วเกิดคัะเวตนาเกิดสัญญาแล้วต่อมาเป็นสัญญาติสนามไม่ไม่ไมีคำมมโนสัญญาติสนามแล้วเกิ ด, กดตัณหาวิตกวิจารแต่ไม่มีไม่เกิด แต่นะั้นก็ไม่ <c oughs> าูธรรมะนะของจริงนวลๆที่พระเจ้าสอนต้องดูให้เห็ น, หหหนชู้เ็นคิดเอาไม่ได้เพรือว่าพวกผมอยู่ในเร่งเบสิกกว่าจย์ ไม่ใช่หมอผมกจะบอกให้ปัญหาใหญ่ของที่นี่คืออะไรรู้ไหมตรงไปตรงมาเลยนะเปนะ็นหม <c oughs> อกระดเตอร์แต่ความรู้ทรรมก็มาอย่างน้อยมากนะว่าเบสิกมันก็มีเริ่มต้นจากศีลสมาธิปัญญาแล้วคำว่าศีลนี่เราต้องบอิสุทแค่ไหนที่จใไปทันน้ำปัญญาได้เพราะว่าเราต้องมคศีลศีลเป็นแค่เครื่องมือตัวนหนึ่ง การข่มจิตศีนี่เป็นเครื่องข่มจิตนะ่ะไม่ให้ทําตามกิเลสสมาธิเนี่เป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้ครอบงำจิตปัญญานี่เป็นเรื่องเข้าใจความเป็จริงของกิเลสและจิตมันเป็นงานที่แตกต่างกันศีนที่เรามีเนี่ยศีนห้าของเราศีนห้าขาดได้ไหมขาดเสมอแหละ อย่างแค่เราพูดโดยที่ไม่จําเป็นต้องพูดก็เฟอรเจอร์ละสีด่างซ้อยมีไหมพวกเราพูดโดยไม่จําเป็นต้องพูดนะสีสีก็คล่องกับแป้งนะแต่ถ้ามีเหตุจะพูดแล้วไม่พูดนั่นเป็นข้อวัดที่ใช้ไม่ได้ชาวฟ้าเรียกหมุมขอวัดหมูมของวัดหนึวัดของบัวบัวไม่ค่อยพูดกุิลธรรมชาติ รักษาศีลนะศี้ารอบทุกวันตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะไม่ทำผิดศีลห้ตอนตางวันก็ตั้งใจอีกทีช่วงบ่ายเนี้ยเป็นต้นไปเนี้ยก็ไม่ทำผิดศีลตอนเย็นก็ตั้งใจแว้ก่อนนอนก็ตั้งใจไว้ให้ได้เวลาสี่รอบตั้งใจเราใหล้ใคล้เตือนตัวเองเรื่อนยะให้รักษาศีล มีศีลเนี่ยทำให้จิตสงบง่ายศีลเนี่ยมันเป็นแค่ด่านสุดท้ายแหละเมื่อตัดจากนั้นแกกิเลสศีลเนี่ยจิตเรายังอ่อนแอ ม, มากเราสู้กิเลสไม่ไหวกิเลสมีกาลังกล้ามากไม่สามารถจะสู้กิเลสได้เลยเราต้องสู้ด้วยศีลคือผงใจว้ กิเลสจะสั่งให้ข้าไม่ฆ่ากิเลสจะสั่งให้ตีไม่ตีสั่งให้ดา่าไม่ดา่าสั่งให้โง่ไม่โง่โโเป็การข่มใจใจว่าแบบตันเนื้อเศรษฐีต้องมีตัวเจตนานุศน์เป็คือจะเป็นสิทธ์อย่าูง่าอายุมากมยุน้อยสี่สิบปีนะเจออญิงหนุ่มสวยๆอยากเป็นชู้ก็มันไม่มีปัญญาเป็ น, ปนไม่ใช่ก็เป็นสีทเห็น เครื่องเพชรนี่กำลังขายอยู่ตรงนี้ยตำรวจอยู่ตัวนี้เยอะแยะเลยยังเอาไม่ได้บอกไม่เอาอันนี้ไม่ใช่สีเอาได้นะไม่ออกอันนี้เป็นสีผมใจไว้อันนี้เป็นสีต้นๆต่อไปมันมีสีที่สูงขึ้นเลยอาศัยสติรักษาจิตให้กิเลสเกิดขึ้นรู้ทันเล็งเข้ากำจิตไหยสีเร็วน ธรรมัศีลจนี้เป็นความเป็นปัจติของจิตไม่ได้ข่บเลยแต่ศีลทั่วทั่วไปที่เราต้องฝึกศีลที่ข่มใจไม่ให้ทำต่างติศีลหก็ข้อมีคนไปถามหวงพ่เอเขาเรียนปลาเขาเรียนกุ้งเาเรียนกุ้งแต่เขาเปหลังล่าเรียนกลาเนี้ยแค่จะถามธามว่าเรานะ่ะ เ, เรี้ยงโกหกด้วยจริงจเลี้ยงกุ้ง เนี่ยกเขาทำบาปเขาต้องเลี้ยงปลาถึงเลี้ยงไปเท่าไหร่เดือนไหนเนะี่ยเขต้องจับปล า, ปาไม่อขาดสีก็ไม่เคยบริสุทธิ์อันนี้ภาวนาได้ไหมอยู่ที่การวางใจให้ถูกนะทุกวันที่จะฆ่าปลานะไม่ได้คิดจะฆ่าปลาคนะิดจะทำอะไรจะเลี้ยงปลาให้ตัวโ ต, วตวนะะอย่างั้นสีนยังไม่ขาดนะตอนนะั้นสีไปขาดตอนที่จับปลาเนทะ่านั้น เวลาที่เหลือที่ศีลยังมีอยู่นะช่วงนี้รีบต่อหนาไปถ้าถามว่าท่านนั้นบาปหรปาบาปบาปเนี่ยนะถาโดยที่รู้อยู่นะพวกเราถ้าถ่างโลกทำผิดทั้งที่รู้นี่บาปมากแต่ถ้ารู้ผิดชอบชั่วดีอยู่แล้วจำเป็นต้องทาบาปน้อยกว่า เขาเรียบเทียบเหมือนอย่างเรารู้ว่าเด็กที่เผาไฟร้อนๆแดงๆเป็นอันตรายคนนึงรู้คนหนึ่งไม่รู้สองคนนี้เวลาจับมันจะไหม้มือไม่เท่าไอ้คนที่รู้โทษมันจะจับแบบระวังมากเลยครับให้ไหม้น้อยที่สุดเลยไอ้คนไม่รู้ฟ้าเต็มเหมนียวตากล้าคนที่จะไปถ้ารู้ผิดชอบชั่วดีบาป บาปไม่บาปถ้าไม่รู้ผิดชอบช่วดีด้วยบาปนะก็เจอด้วยมีชาติจิตเอาเรื่องสรรานนะ <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องอื่ๆถามกันเจ็ดวันเสร็จไม่จบตอนที่พ่อเล็กไปไหม ทำไมลักษณะของสติที่มันจะรู้ตัวเนี่ยมันจะต้องเจอาอารมที่มัน แ, แบบาปรปรเพราะบารมีเราเล็ก อ, อารมที่แรงเนี่ยมันดูง่ายเชืช่อใจศิรษะก็ไปเกิดตันเล็กๆที่พ่อไปแลกนาจัางพุทธกต้อ บ, บัติ์ได้มแล้วพี่เมี้ยงเราท่านเปิวาไงได้ใช่นหมแล้วท่านดูขึกภาวนาน ในตัญญามอนได้ประผสมชาชานตัวนี้คือชาที่จิตเป็นตัวนี้เป็นตัวท่านไม่มีอารมณ์ที่รุนแรงมากระทบเลยแนตะ่ท่านทำตัวนี้ให้เกิดขึ้นได้มันกลับมาแล้วท่านเ็นหรืเช่นเดียวกับทุกๆกคนที่เองเอโกที่ทา <c oughs> ่าว่าแต่ได้อารมณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยอารมณ์นี้ยนะก็เป็นอารมณ์ตะปูโสศ แต่มันจับย า, นะากนะสกูโทรศาพท์ในโยมจับยังไงก็จับไม่ได้ของคือพอมันจะเห็นอีกทีนี้ก็คือมันร้อยสิบองศาไปแล้วค่ะัไ่ไม่รู้ตรงร้อยสิบองศาทําไมจับลงขณะที่มันเกิดโทรสารไม่ได้เพราะถ้าจับได้เมื่อไหร่โทรศารทจะดับทันทีการดูจิตเนี่ยในการดูทีต่ ต, นนต่อเนื่องกับปัจจุบันจะไม่ใช่ดูลงปัจจุบันแทน ดูกายเนี่ยเรียกว่าปัจจุบัขนขณะขณะนี้แหละรู้สึกได้แต่ดูจิตเนเป็นปัจจุบันสัรปติรู้สึกเรื่องจกปัจจุบันในขณะที่โทดดสะเกิดอยู่สติจะไม่เกิดเพราะสติแต่เรารู้ได้เมื่อโทสะเกิดไปแล้วนั้นเป็นธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นกระแสของความ depressed แบบนี้ค่ะ ยอจะมีความรู้สึกว่าพอจะทันเห็นอยู่สแสดงว่ามันเป็นอารมณ์ลักษณะเนเจอร์ของการเกิดไม่เหมือนโธส่าเหมือนกันแต่คูนโธส่ด้วยกันเป็นตูนโทสหรือไม่แต่ตัวนั้นมันแรงจนสติแตกไม่ทันตอนนันเอง เอาการสีขาวค่ะพี่เดียวด้านนี้มัีคองีกด้านนี้ก็มีนะคพี่ิก็แล ตรงงที่เวลาทำแบบนีของจะต้องรู้สกว่ามันแ้หรือมันแลจะทํมาต้องรึว่าที่ที่ทาอยู่ใช้ได้นะิแเลยคันเริมแยกลตามสิ่งต่างๆีวิธปฏิบัติสองอย่างงใชู้ากไดอย่างนว่าถ้าสว่ายินสิยงกระทก็ ถาอะไรแเาเยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะตาบูจูดี้กายเจ็บ่ทกอารมณ์เถ้าทุสานทัแต่ทุกแม่เกิดอะไรขึ้นที่จิตไม่รู้อยากไปตักที่นี่ตากลที่นีจะนิ่งไปหมดจนิ่งหมดจีเบไม่เกิดนักวัฒนกครัคโยมพึ่งอ่อนถา ฟังซีดีของท่านมานานแล้วค่ะรู้สึกราบซึ้งในธรรมะของหลวงพ่อนะคะแล้วก็เข้าใจค่ะพอดีเริ่มปฏิบัติก็หัดเดินจนงกรงเพาโยมเป็นคนไหลเปิร์นะคะใม่ชอบนั่งนั่งแล้วจะหลับก็เดินจรมเดินปฏิบัติเนบ่อยแล้วก็หลังจากกลับ อ, กกอิตาลีเนี่ยเป็นหวัด น, นะคะเป็นหวัดก็เกิดความมึนตัวหลวงพ่อจะมาจะหายพันก็รับทานยา นะคะแต่ก็ยังปฏิบัติค่ะเดินจนกนทีนี้มีอยู่คืนหนึ่งนะคะโยมเห็นค่ะโยมเห็นร่างกายเนี่ยมันพลิกตัวนะคะร่างกายมันพลิกเสร็จแล้วก็มันหายใจคลื่นๆมองเห็นมันหายใจคลื่นๆนะคะแล้วก็มองลงไปเห็นขวานมันเนี่ยเป็นหนองค่ะแล้วโยกก็เอ๊เห็นมันเป็นหนองแล้วมันลุกขึ้นเดิน รู้ขึ้นเดินโยมก็มองมันดูแล้วก็เข้าไปห้องนา้าพอไปห้องน้ำแล้วมันก็ไปข่าวเอาเสียงปากออกแล้วก็นั่งส้วมแล้วโยมก็ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเป็นคนปกติอีกเอ๊ะเมื่อกี้เราเป็นอะไรฝันไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่ทชาบจิตมันรู้ทีมีสมาธิพอรูก็เห็นมันเห็นไปปอดนิดหน่อยรู้สึกแต่แต่เป็นฝันไปหรือเปล่าทีมีจิตมมีสมาธิ แต่ไม่ได้จบแต่โยมนอนรู้สึกว่ามันไม่หลับนะคะเตือนอยู่เรื่อยทำไมแต่ว่ามันไม่ห่วงมันมันเหมือนหลับแต่มันวิ่งนั่นจิตมีสมาธินั่นแหจิตมีสมาธิรู้อะไรก็ได้แล้วโยมใช้ทํางานบ้านทาสีระเบียงหนังบ้านนะคะไม่สบายด้ยแต่ว่าอยากจะจโทาสีแล้วก็ฟังซีดีของหลวงพ่อนะคะ ก็ทา <G ül> ไปเรื่อยๆสาวันหมดค่ะสําเร็จหมดกลางกลางกลางระเบียงนะคะออกมาสว ย, ลย <c oughs> แล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยค่ะ <G ül> ทาไปทั้งวันทั้งคืนที่มีความเหนื่ยแล้วก็มีความสุขเลยวเวลาเวลาทำอยู่ในสมาธิแล้วก็บังหลงพอ่อเทศไปเรื่อยๆแสดงว่าบังหลวอเทศแล้วมีความสุขค <ๆๆ S 2> ่ะมีความสุขๆๆๆๆจิตก็ได้สมาธิๆๆทําไปได้เรื่อยๆอแล้วบางทีับขนมอะไรเนี่ยมันก็มีสมาธิเกิดขึ้นนะคะยมเคยปั้น สาคูชสหมูเนี่ยค่ะเอามาขายงานสงกรานต์กละมังใหญ่มากเลยนะคะก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันจะปั้นไหวไหมถ้เยอะเดี๋ยวก็ไปลงแขกที่วัดอีกว่านะคะก็ลองปั้นดูปั้นๆโยปั้นอยู่ทั้งหมด4ชั่วโมงครึ่งไม่ได้ขยับเขยันไปไหนอะไรปั้นจนเสร็จหมดเลยอ่ะแล้วโยเห็นมันปั้นเห็นคนมันปั้นเออต้อย่างนั้นมันปั้นแล้วมันเดินไปร่างมือที่เออต้ออย่าง้นนะ ที่เรามาเนี่ยต้งถูกใจนี่แหละอมันก็เดินไปเดินมาโยงก็ดูมันมันทำนี่คิดนั่นแหละมันมีความรู้สึกตัวเพื่นมันขันมังแยกนะเห็นกายก็ทํางานแใจเป็นคนดูสบายๆแล้วมันมีความสุขมากเลยค่ะก็มองนัหละต่อไปถึงเมื่อเราเจ็บนะเราเจ็บเราตายนะด้วยนะนั่นแหละใจเราก็มีความเดือดร้อนไปด้วยแล้วอย่างเมื่อวานนี้ โยมเรียนบอกโยมท้องผูกค่ะตอนเช้านะเข็ไปขายก็ท้องผูกเสร็จแล้วก็สองสามครั้งเลเข้าแล้วพอสุดท้ายท้องเดินือเอ๊ะ ม, มันเหมือนจะมีแกส๊สมันจุกอยู่ในข้างในโยมก็ดูความปวดร่างกายมันปวดทําไมจิตต้อไปปวดกันด้ว ย, ยก็ปล่อยมันนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็ความปวดก็หายไปนะคะแต่แ ล, ลูกชายเขาบอกว่าสงสัยมา่ จะโน้เวิพ่อหลวงพ่อกราโงดมาเขาอกอย่างแล้ววันนี้ไม่เป็นไรเลยคะ่ะไม่ท้องเดินไม่อะไรตบตาจิตตบตาดียยอ ย, าย่า <จะ S 2> ไม่จิดไ <c oughs> ป น, นะจิตเกอเห็นว่าใครมาทำงานดูอย่างนี้ก็พอแนละ้วโยมอยากจะกราบขอพระคุณหลวงพอ่อซีดีของท่านประโยชน์มากเคะแล้วพี่สมพรกับพี่ประทันที่อยู่แคมป์ป้าสมให้โยมเป็นประจำโยมก็เอาส่งต่นเพื่อน พ่อแม่ดอรลงอปีนแก่มีใคฟังัรู้สึกฟังแล้วเ<ม>ข้าใจ้ท็าอันนี้เรียกว่านามรูปปริเชตญาที่มันแยกผู้ใช้มันเป็นชาต ญ, ญาณที่หนึ่งญาณที่หนึ่งแล้วแ่ถ้าไม่เริ่มจากตัวนี้นะใส่มาบ้างเจ้ามหาบัวแยกรูปนามไม่เป็นแยกกายแยากใจไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะ ว, ว่าเจริญปัญญาคือมันด้วยการเห็นไม่จะคิดว่า เห็นเห็นเป็นรูปรูปเป็นนามไม่ใช่อั้นมันคิดเอาอันันไม่ไม่มีปัญญาอนั้นวิตกอ่าก็จะสอนกันอย่างนั้นแต่เขาสอนแล้ว่าเเป็นเป็นรูปแบบเป็นกระบวนรูปความคิดหรือการคิดปรัชนาปรัชนาการเห็นนี่เพืแจ้งมี e r รัชนาเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกนม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนีบคิดอย่าง้เรว่าวิตก จะ่ได้สอตกเห็นไมแค่หนึงนะเวลานี้ของ่งพเพงวค่อยๆเพ่งนะดึ ง, ดงความรู้สึกตัวเข้ามาเรื่อยๆดึงเข้ามาอัดเข้ามาเข้างกระงมันนิ่งอัดามาเรยๆอมแข็งนะ หาใจโล่งๆก็คือเออแค่ น, นั้นก็ตายแนละ้วง่อยจะตาเราไปอักก็ไม่ยิง่เหมือนมีล้อรถเกิดยาง้วเกิดยางเนาะปั๊มลมใส่เข้าไปเรื่อยๆนะแค่ปล่อยออกไปก็าหายแนละ้วแล้วท่านว่ายงมแมน่นนี่ก็คงแบบเดียวกันใช่ไหมคันต้องถอนหายใจยาวๆบางคนต้องถอนหาใจแล้บมีคนก็ไปเต้นิสโก้ก็โยมเราคณทำยังไงเวลาถอนหายใจยวย <elle> <istas> ช่วยไหมช่วยใ่ๆมาตานี้เล่มยากแล้วล้ไมไดาเาใหม่เลิกเล้แนี้เอาไปเรื่องอโมที่นมันจิตเห็นอันนี้มั น, น, นมนนมน เ, เห็นหนะแต่จิตมันเครียดแคจิตช้างสบายกว่านี้ใช่หมยมดูแต่ น, นี้นะดูเยอะๆเลยหัดู เวลาจิตเราไปยึดในความคิดความเห็นนะเนี่ยเราพอรู้ทันตัวนี้ให้มากมันจะมีความคิดความเห็นตัวนี้ว่าเราไปยึดมันจริงจังตัวนี้ถ้าตัวนี้คลายใจอย่ากคลายออกใจจะมีความสุขขึ้นใจาาคลายแล้วจะดูง่ายขึ้นไปดูเวลาจิตมันไปยึดในความเห็นนะมันามคิดค่อยๆเช่นกัน ก็ได้ตังซีรีส์ต่างมาสักสองปีค่ะที่ทำแลงมั้ยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเห็นเห็นปัญหาที่ไร้ปัญหาเยอะแล้วก็การปฏิบัติก็คิดว่ายังเป็นผู้อย่างเริ่มต้นใหม่ค่ ะ, ะยมมีความรู้สึกเห็นโมหะคือ ภาษาโมหะเยอะนะค ะ, ะ, คะแล้ ว, ลว ก, ก็ยังนะกกมีเกลียดยังเกลียดอยู่เวลาปฏิบัติก็ยังไม่ได้น า, ากกนบางีนคนชอเป็นคนชอบจะใ้เกิแต่มาปฏิบนะัติอง ไ, ไปอยู่นิ่งเนะี่ยถ้านั่งนะี่นั่งตนนะ่ะยย้ า, าอยู่นะยเยลกิก็ไม่อยู่นิ่งเนะี่ยก็อยาก จะขอความเมตตาพ่อว่าจะเสร็กแล้วอยมเอ่ควรจะคือคือจะใช้วิธีดูลงหายใจนะคะรู้สึกว่าถูกกับตัวเองแต่ว่าตอนช่วงเมื่อสักเกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมาโยมก็ขับรถไปที่วัดจะไปวัด บ้านนี่จะห่างจากบมานเร า, ากืบสองชั่วงก็จะไปเตรียมทำความสะอาสสดสวนทีเป็นดินแดนดอกไม้เตรียมต้อนรับหลงพ่เก็บของสวนเฉยๆมากก็พอ <c oughs> ดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอดเพราะนั้นมีความสุดมากค่ะคัพก็กลับจากบ้านแล้วก็ฝั่งซีดีหลวงพ่อรถซีดีของพ่อจะอยูอ่ในรถตลอดไปได้ แล้วก็ปิดก็โดยที่ไม่ได้นั่นเก็บแล้วมาเป็นเปิดใหม่ก็คือต่อต่อค่ะกะ็ฟังไปวันนั้นจิตใจปลอโป่งมากแจ่ไใสแล้วก็ปลาทักช่วมเลงคือเข้าใจและซึ้งทุกขับพูดที่หลวพูดทานั้นเพราะว่ามีหลายหลายครั้งขณะขับพูดนี้ก็คิดว่าไม่ได้ไม่ได้ฟังตลอดบางทีจิตใจก็บกแบกแต่บ้างตาม ก็มีความรู้สึกมีอะไรเออเออคือใีความสุขใจมากออแล้วก็มีเหมือนบอลลูนนะะพุ่งพุ่งขึ้นมาก็ขับก็ขับรถต่อไปแล้วก็หายไปเสรัล้เป็นอีกสักสองครั้งเนี่ยค่ะก็อันนี้เป็นประสบะการณ์ใหม่ที่ยังไม่เคยประสบกระตัวเองมาตีนพโอนาถุกแล้วค ม, มันแยกิีต้องมั่นรู้สึกตัวไหมเป็นแม่กายกับจิตตว ความสุขความทุกขัจิตมาผู้สวนผู้สันกับจิตจิตเกิดากทางธรรมะทั้งหมด้ลยความสุขทำได้ดีนะแต่ทีนี้เราไม่รีบร้อนว่าจะบรรลไร่เราเข้าวิกัสน์สวดจสวดมนต์ก่อนนี่จะช่วยได้รดีนะสวดวนพ้ารเจิเออร์ด จิตท่านนม่ผ่านเะนี่พลังงานที่ท่านทีมไว้เราสวดมนต์เราละรึอ่องนสำตัญได้นะช่วยการถอน เป็นอาจารย์ใหญ่มีชื่อเสียงต้องความรู้เยอะท่านทนะําะไรที่พระเจ้าตัดสินจำไม่ได้โปรลาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอีกผู้นึงจำไม่ได้แนละ้วคือสุดท้ายนั่นแพเจ้าตัดสินว่าผมเนี้ไม่ได้เรื่องเลยไม่มีความรู้เลยโคที่เรียนปริยัติแตกฉานสอนที่ทำสอนหลายหลาโดยงนี้ ท่านอนุโมทนาคือลูกศิษย์ของพระปริยัติเนี่ยไปดูถูกพระผู้ท่าทู้เจ้าคนเรียกทั้งหมดมาทั้งทั้งสององค์เลยจากลูกศิษ์ของพระปริยัตรเรียกมาแล้วผู้เจ้าตั้งคำถามพระปริยัตเตอบไม่ได้ในส่วน้อท่านถามในพระปฏิบัติตอบไม่ได้เลยพระปฏิบัติตอบถามอะไรก็ตอบตอบ ประโยคหนึ 1, ่งคูอเจ้าภาษาทูถามต่อยาสาธุอีกเวลาเลื่อนโดนคือเจ้าเรียกหาย <c oughs> <c oughs> อีก<ม>น้องจาชื่อท่านไม่ได้แต่ตอนหลังท่านก็ปฏิบัติใช่ไหมนั่นเลยแต่ท่านนายท่านมาปฏิบัติว<า><ห>่าปาัจจุบันปัจจ <c oughs> ุบันปัจจุบันเนี่ยอะไรเป็นปัจจุบัน รือของจริงของจริงเนี่ยอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นดังที่ว่าเราต้องรู้อารมณ์เป็นปัจจุบันเนี่ยว่าอดีตเนมันจบไปแล้วอนาคตมันยังไม่มีสิ่งที่มันมีจริงเป็นรูปนามในปัจจุบันเ้วคอยรู้สึกรูปนามในปัจจุบันเต่ปัจจุบันสั้นนิดเดียวในในเรื่องอวิชาปัจจุบันมันแปลว่าปฏิเสธสมบาทัติ จิตตกไปสู่ความคิดทีาจากปัจจุบันล่าจากการรู้รูปนามลงในปัจจุบันคือเราอย่าไปพูดคำว่าปัจจุบันเฉยๆต่างหัวงส์ก็คือให้รู้รูปนามตามความเป็นจริงในปัจจุบันเนี้่ยโยมทําสมาธิมาหลายปีเหมือนกันนะคะสมุทเสร็จแล้วก็ห้าสี่ห้าสี่ห้าปีให้หลังนี่ท่านจะเอาว่า พระเซิงหลุยองค์หมายท่านมาท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนท่านก็สอนสอนอ่าวิธีทําแบบยกมือแล้วก็เดินจงกรมแต่ท่านก็บอกว่าถ้าอาถ้านั่งอยู่แล้วจิตรวมให้เปลี่ยนเป็นเดินจงกรมแต่ถ้านั่งเดินจงกรมแล้วจิตมันรวมก็ให้เปลี่ยนเป็นนั่งทำเสร็จ แ, แล้วย่อก็มาอาก็เลิก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 จะไปดูจิตดูอะไรเงี้ยดูไม่ได้อแล้วมาดูกายเลยดูร่างกายถ้าใจมันซื้บเบือเป็นสมาธิช น, นี้ซื้อเบือ้อถ้าไปนั่งแล้วก็เงียบนะออกมาแล้วก็ซื้อบื้อติดออกมา อ, อย่างเงี้ยให้คิดเลยเพื่อกระตุ้นให้จิตทํางานคิดไปถึง่งร่างกายสัมผัสดูเลยผมเป็นอย่างนี้ ผมมีรูปร่าอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่สวยไม่งามสโสกครกอะไรต่างคิดเลย ค, คิดเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันเคลื่อนไม่ให้จิตมันติดนิ่งติดเฉยอยูพ อ, อ, อจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เราก็ดูจิตต่อไปเลยก็เป็นอุบายยกจิตสมมติคนที่ต้องเสตัวก็ยกขึ้นมาสู่ลักขณูปนิชฌานให้เป็นความเป็นคือใจมันซื่บอบืรู้ตัวนในเฉย กระต้นให<ช>้มันทานํานิ่งนงนัี้ยให้มันนิ่งแต่ตอนที่ทําปรับสงบให้มันนิ่งค่ะพอมันนิ่งแล้วก็ให้พิจารณาร่างกายบางคนบอกให้หลบว่ารประโมทไม่ให้ทําสมาธิไอ้นั่นสอนพวกคลิกติดสมาธิซื้อบื้อเหร อ, อท่านบอกไม่ให้ทิ้งไม่ใช่เหรอครับไม่ให้ทิง้งค่ะไม่ใหิงเ <laughs> พราะบรรลุได้ศีลสมาธิปัญญาต้องครบเหรอมีทิ้งสมาธิได้งไงส ม, มสมาธิมีสองงาน สมาธิที่สงบอยู่ในมลมมันเดียวไปพักผ่อนถ้าไม่มีนะใจแห้งแหลงแต่ถ้าไม่มีเลยนะไปได้ได้แต่ได้อย่างแห้งแหลงไปแบบอนาถาแต่สมาธิที่ทิ้งไม่ได้เลยคือสมาธิตั้งต้นรักขณูปนิชฌานนิมมิตการท่านขอถามนิดครับคือว่าในซีดีของท่านเนี่ยท่านพูดเรื่องเจริญสติ วันละยสิชั่วมองด้วยไม่ได้พอเวลานอนหรือเวลาคิดผมมก็ผ ม, ผ ม, ผมปกติขับรถวันละรมมาหนึ่งถึงสองชั่วโมงผมเราอยากทราบว่าเราใช้เวลาขับรถมีเจริญสติหรือเกียจเกันเขาถ้าขับรถนะต้องจเจริญสติชนิดที่ไม่เสีย ง, งกับการที่จิตจะรวม <c oughs> ขับไปสบายๆเปิดซีดีฟังไป แต่เมืองเนี่ยขับรถแล้วเจริญสติยากขับรถเรียบร้อย <c oughs> ถ้าเมืองไทยเนี่ยเจริญง่ายมาก ป, ปาดซ้าย ป, ปาดขวาด <c oughs> เดี๋ยวก็โมโหล <c oughs> แล้วระวังครลาขับรถนะขับรถก็ตั้งใจขับ <c oughs> ไปเจริญสติถ้าไม่ชำนาญเดี๋ยวมันพลิกไปเพ็สมาธิจิตรวม ม, มีคนหนึ่งจิตรวมบนถนน Ens, да. เห็นไฟแดงะไม่รู้ว่ามันคืออะไรชนใ้รถที่จอดแถวหน้าชนทีเดียวห้าคันเปลี่ยไม่ให้กลับรถอีกเลยถ้าอย่างนี้ถือว่าขาดสติดว่าัสติแลสมาธิมันครอบออและมีสมาธิมากเลยสติตามไม่ทันเข้ามาค่ะมาจากพิจินีนเจ้าค่ะ เว่าเข้าป่าวก่กนนอนต้องก่อนเมื่อก่อนดูจิตไม่เป็นเลยค่ะแต่ทีนี้ก็เริ่งเรียนรู้จากชีวิตประจวันแล้วก็เรื่อเนี้ยเพิ่มเห็นนะการแตกต่างก็ขอเวลานอกนิดหนึ่ ง, งเวลาดูเนี่ยจิตมันถลําลงไปดูให้รู้ทันว่ามันถล่มนะอย่างที่เมื่อกี้ที่ว่าดูจิตอะไม่ได้ดูจิตหรอกแต่เอาจิตไปดูส่งจิตไปดูอะไรก็ไม่รู้อยูนอ่นู่นนั่นออะนะตัวเนี้ย พวกทีนว่าดูจิตดูจิตเป็นแบบนี้เยอะมากเลยมันดูไม่เข้ามาถึงจิตอกกลเป็นว่าเอาจิตไปดูอะไรอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างงี้เดี๋ยวอึดอัดตายเล ย, ยเวลาดูจิตอย่าจงใจดูให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาถ้าอยู่ๆอะจะดูจิตแล้วเจ้ามันจะไม่มีอะไรให้ดู้ว่ามาหล <c oughs> งโยมดีขึ้นโยมแล้ว คติดค่ะก็ใช้แต่รูปแบบของหลวงพ่อค่ะดูทั้งชอบไม่ชอบดูความสึกแต่หลายครั้งก็ไม่ทันที่คิดคิดแต่ก็แต่หลายครั้งก็ผ่านไปได้นะะแล้วก็พยายามใจตรงแล้วก็พยายามคิดอย่งที่หลวงพ่อบอกค่ะไม่พยายามคิดแล้วค่ะให้เข้าใจในสิ่งที่คิดว่ามันไม่ได้ยุ่งยากเรายุ่งยากไปเองแล้วเห็นความทั้งตกทั้งโกรธค่ะ มันทีเ่เราไปมองที่อื่นไปตั้งค่าที่อื่ น, น <c oughs> แตรงนี้ชัดคิมชัดคี่นะก็เลยดินลันษณะขอัคนยโสธรแต่นั่นมันถนัดด้วยนะค่ะแล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติแปลงแาลชีวิตชาติดีแต่ดูชาของพระเจ้ากันขอบคร้องแบบครูบาอาด้วยค่ะครูบาก็เป็นตัวอย่างค่ะอดทนมากนะจันทร์ปฏิบตัติเป็นัวที่โมหะ รุนแรงมากนั yeah, okay. okay. uh ่งเมื่อไหร่หลับเมื่อนั้นลองเล่าไปป้างหวงพอเนี่ยพักเราเล่าที่ภานาน่อยเป็นคนที่มีโมหะเยอะนั่งสมาธิก็หลับแต่จนคงก็ง้เลยแต่ว่าอดทนมืน้งนะเืนเดินจรงก็ไปหาที่แปลกๆที่มันดูแล้ว จิตมันจะอเะื้อขึ้นมาเนี่ยค่อยๆทําประพฤติมันเริ่มมีสมาธิเริ่มตั้งมันเริ่มแบบปัญญาได้มันกค่อยๆองขาค่อยๆหายก็เลยอดต้อนว่าก่เลเราเยอะี่เลเราแรงขัดเกลไปเรื่อยเรื่อยค่อ ย, อ ย, ย, อ ย, ยๆแล้ควคุณบาอาจารย์นะคะแล้วอย่างปันเพิ่งจะมาเห็นจิตของตัวเองค่ะเพิ่งจะขึ้นระยะหลังที่ที่เข้าใจว่าพอจะจะเป็นไฟฉายให้กับตัวเองได้นะคะ อย่างคนในบ้านเนะะี่ยค่ะเราจะตั้งค่าไว้ว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงเรววาก็แสดงออกมาแต่คนนอกบ้านเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบว่าต้องรักษาหน้ารักสาตารักษามารยาทตอนนี้ก็เริ่มมาพิจารณาว่าทําไมเราไปให้ค่าที่อื่นทําไมทำไมทไมําไมตัวเองมองไม่เห็นพอมันมองเห็นมันตัดชึบ ป, ปะค่ะมันจัดชึบเนะะี่ยค่ะมันไม่ได้อยู่นา น, นะคะมันจับต่อไปแล้วเมื่อสักสองเดือนนะคะก็เลย เราฟังซีีของหลวงพ่อแผ่นที่สามสิบห้าค่ะบอกว่ามันแตกดาบแตกดับแตก ด, ดับมันอยู่ในกรณีนี้หรือเปล่าคะว่ามันได้ปั๊บมันดับมันจะไม่คงที่เราก็ต้องดูมันต่อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเราเห็นทิศถี่ของเราพอ <c oughs> เรารู้ทันมันก็ดับไปอยากเรียนถามท่านนะคะว่าอย่างคนให ม, ใหม่ๆที่เริ่มปฏิบัติ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 อย่างพอเราทไปแล้วจิตใจเราดีขึ้นไหมสีนเราดีขึ้นไหมอย่า <c oughs> งเรากรี ด, เ, ดเคยแรงพลังภาวานาแล้วกรีดเลยรงลดลงแต่เรามีความสุขมากขึ้นเรา้องค่อยๆเช็คตัวเองแล้วนานๆเราไปเจอครูบาอาจารย์แล้วให้ช่วนช่วยชิ่งทีเราหลงเป็นปีๆนะโดยไม่รู้ว่าที่เราทำํำน่ะมันถูกหรือเปล่า <c oughs> เพราะเราก็ไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงว่เออมันจิตมัน บาลจิตมันหูมอะไรอย่างนี้นแล้วตรวมันก็เหมือนคนตาบอดหรือว่าคนที่การทางสัมผัสออย่างเนี้ยก็ก<ม>็ไม่ไม่รู้ทําไปจนตลอดชีวิตถ้าไม่มี เ, เนวิเกเตอร์หรือไม่มีครูหรือว่าไปหาครูควรจะไปหาครูไหมไม่ต้องนะ <laughs> <c oughs> เวลาจิตมันโกรธให้รู้ว่ามันโกรธจิต <c oughs> มันโลภให้รู้ว่ามันโลภจิตคลุ้สร้างให้รู้ว่าคลุ้งร้าน ต o ดโหดู่รู้ว่าโหดถูาเราทำไปคงเดือนเห็นมีอะไรเกิดขึ้เอาหน่งาีแล้วต้องทำผิดตรองผิดแ้ทีนี้จะไปหาใครไม่หาหรอกใครคอใครรู้สันใจของเราไปเรื่อยๆใจเราโลภก็รู้ใจเราโกรธก็รู้ใครรู้ทันบ่อยเขาิเอก่อนเขาคิเองก่อนเนาะใช่แล้วประมาณสักวันวันที่เราตื่นอยู่เนี่ยท รกเส็ิมอ่ะเส็เยกเว้นนะเวลาที่เราจับเป็นต้องคิดอย่างเราทำงานที่ต้องคิดเนี่ยต้องยกเว้นเพราะว่าเจริญสติไม่ได้แต่เวลานอนหลับเวลาที่เหลือเนี่ยมีสติจะกินข้าวจะหาบน้ำจะขับถายจะขับรถจะนั่งรถ คอยรู้ทันใจมบ่อยแข็งไปคนไหนที่หลวงพ่อชมนี่นะเสียหมดเลยเพราะว่าอยากให้ดีเยี่ยมๆขึ้นไปตั้งใจใจเย็นๆนะที่ทาอยู่นะทาสุขแล้วละอย่าไปร่วมันต้องมาหมดแล้วมที่มมอี้วงสังเกตไหมที่ขนานี้กับเมน่ี้ก็ไม่เหมือนกันตอนนี้สงบกว่าเมื่อกี้เสร็จไหมใช่แทีนี้พี่โยมเ นคืออย่างชีวิตโยมเนี่ยแต่ละวันโยมจะอยู่กับการคิเยองมากทางานเราจะมองยังไงก็ว่าพอโยมนึกได้อีกทีว่ามันหลงกูหลไปแล้ว24ชั่วโมงแล้วทำงานทีละ24ชั่วโมงน่หมว่าจะบางทีจะมานนึกใกล้อีกทีโอมันนานมากถึงขาดนั้นไปเตือนตัวเอง่ไดไหแต่ว่าโยมจะต้องคิดเพราะว่ามันเป็นหน้าที่การงานของโยมที่โยมต้องต้อกอตรงนั้นได้ยังไงไม่มนีหน้าที่คิดก็คิดไป แต่ถ really, really. so, ึงเวลาเบรกเนี่ยเบรกไปได้เพราะอนหลวอทางานสถาความไม่งนะงานนี้เต็มไปด้วยข้อมูลเป็นไปด้วยการปะเถียงประชุมทั้งวันหมดเวลาประชุมกมเรื่องตรวจข้อมูลเช็คข้อมูลนี้ยาเคียดงานหนักาที่ใช้ความคิดทั้งนั้นวพ่อแนใช้วิธีเบรกเบรไปช่วงๆสักชั่วโมงหนึ่งนะเราเด็ไปห้องน้ำทีนึง เห็นร่างกายมันเดินใจไปนเดินดูจิตไม่ได้แล้วมันมงน่วงจนหมดไปเข้าห้องน้ำนะตอนเดินกลับมาเรารู้สึกตัวกลับมาเด็กตัว่องช่วงๆหรือตอนเรานั่งอยู่รถทํางานเราลุกไปบ่อยๆไม่ดีบางบริษัททําให้ลุกเยอะที่นะที่กรุงเทพมีวันหนึ่ง น, น, น, น, นั้นมันแจกคูปองให้สองใบเลยไปเข้าสวนได้สองครั้งโหที่สุดเลยถ้ามากป่านาน้ำป่านเดือนลวนะวันนั้นไม่ให้เงินละ เปตนคนไทยเหรอครับแม่มตอนนี้แม่ตอนนี้จิตของโยมจะมันจะผ่อนคลายไปมากขึ้นแต่มันมันมีแค่ว่ามันมีตัวรังตัวนี้นั่นแหละนั่นแหละตัวรังนั่นแหละถ้ามใน้ตายไปแต่ตัวรังตัวนี้มันเขาไม่ใช่ตัวเพ่งที่โยมเคยจับมันได้เมื่อหลายเดือนก่อนนะมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ตัวเ พ, งวเพ่งนะแต่มันเป็นตัวที่เราไปปรอบครองไว้มันอยู่ในกลุ่มตัวเพ่งตัวบังคับตัวเอง มีในกลุ่มบังคับตัวเองเพราะฉะนั้นที่ที่โยมเขียนจดหมายอ่าล่อยการบ้านหลวงพ่อเนี่ยเราเัานนี้เหรอว่า <c oughs> จไม่ได้ว่าคป็นไหน <c oughs> ที่ที่เยอะที่ที่โยมจะมีความสอ่ะอันนั้นนี่ก็คือตัวนี้ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยลราไปไปตัดฟองว้เลยตัวื่นล้วก็เคลื่อนที่ได้แล้วมีเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวแต่คนนี่นี่คือตัวหนึ่ง เมืเม่อไปไปตังคับจิตควบบุกจิตจิตเยังไม่เป็นธรรมชาติจิตไม่เป็นธรรมชาติโยมจะมองเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมชาตินั่แหละเห็นแค่ออนั้นพอแล้วไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้เรียกชื่อเป็นแค่สมมุติให้รู้ทันว่าเรเป็นจิตจะเป็นอย่างนี้แหละอย่าไปเกียดนะอ๋ะอแล้วอย่างนี้ที่โยมเขียนถามไปที่บอกว่าตะ ว, วันวเวลามมองเข้าไปเนี่ยโยมจะเห็นคามเป็นไง ได้ในานนี้เราสร้า ง, องเอาเงสร้าง้เองแล้วก็ที่มันติมันจะตอกเปเหมือนตอกตตอกติตอก ก, กกระแสอันนี้เป็นธรรมชาติของคนนะคะมันเป็นเฉพาะโยมคนเดียมสนอเป็น เ, เขาก็ตอกกระแส น, นั่นจะรับกระแสมันมาอยู่ด้วยตัวเองมาดีวอก็ไหลาตามไปฮะแล้วแต่ว่าโยมเจอมีความรู้สุกว่ แค่ที่จะมองเห็นชัดที่สุดคือกระแสของความดิเรกซ์แต่ถ้าเป็นกระแสโทรศัพย์ยมยมจับมีทันมันจะต้องเกิดก่อนแล้วยมยมไม่เห็นมันเลยอย่าไปเกดนะิดมันที่เรากดเนี่ยเราพยายามควบคุมเลยแต่บางทีก็ต้องคุมนะเพราะถ้ากดมานานเนี่ยปล่อยเมื่อไหร่มนะันจะร้ายสุดยอดเลยนะเอาเนี้ยร้ายระบบเกเพิ่เลย ค่อยๆค่อยๆใจคลาดวาค่อยปล่อยปล่อยทีละิดหรือปล่อยแล้ว ย, ย, ยืดไปใหม่ปล่อยแล้วยืดไปใหม่้อยางนั้นใหมอยากจะยัถามว่าที่เราเจริญภาวนานี่จําเป็นต้องนั่งรูปแบบนั่งนิ่งหรือว่าเดินแต่ว่าที่ทํางานทั้งวันทํางานบ้านนี่ยเจริญภาวนาอย่างนั้นดีพอไหมการปฏิบัติ ม, มีจเจริญสติในชีพประจําวันแต่ในรูปแบบ การทาในชีวิตจำนำรวดไปเลยถึงจ<ม>ุดหนึ<ม>่งกำลังไม่พอใ่ไม่มีแรงนี่บางคนหลวงพ่อบออย่าเพิ่มไปทำก็ทำแล้วเครียดที่บางคนจะสอนอกอย่าเพิ่งไปทาอย่าเพิ่มไปทสาสหรับจทเครียดปล่อยผัดให้เจริญสติในชีวิตจำนานเรจิตใจคล่องแงนนค้าวํานาญก็กลับมาทำเหราบานี พยมนั่งเฉยๆแล้วเบ่อเกินตูปานี่ไม่เคยอยู่เฉยเลยอาจารบอกว่าท่านนั่งที่ไรหลับทุกที่เลยเข้มเลยไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นเป็นป่าอยากให้หลวงพ่ออธิบายความแตกต่างระหว่างอนุสัยอสวะกับสังโยชน์อยากอธิบายเลย เป็นริยอับเยใช่งหมคุณหลพอช่วยอไาวิบากทัท่าชนะว่ามีถ้แอคชั่นนะก็ต้องมีเรแอคชั่นมีการกระทำารือว่มีผลงการกระทำทำสวิบากวิบากคือการ วิบาศคือผลของการกระทำเช่นเราที่บน่นวิบาศมันบนไปเรื่อยๆก็มีวิบากใายเป็นคนที่บ่นที้หึงหงายแล้วจิตฟุ้งเฟ้อคือคืออย่พอไปทําไม่ดีนะคนก็เกลียดเราเป็นวิบากจากการที่เราที่บน่นแต่การที่เราผกไปเรื่อยจะติดนินนสัยชอบโกรกลายเป็นอนุสยัย สังโยชน์ส you know ังโยชน์มยากมาสังโยชน์นี่มันเป็นตัวส่วใจญ่นันีไม่ได้ที่ไหนมีใต้โมหะโมหะเป็นสถานอาสวะอีตัวนะอาสวะ สว่านนีนเป็นตัวอียอมจิตมันคล้ายๆอย่างตนี้เราทำน้ำปกนะน้ำไหลไปเราไปเช็ดน้ำไปหมดแล้วนะถ้าเราทำน้ำปกอีกนะมันจะไหลไทางเดิมเร็วขึ้นกว่าเต่าอีกมันมีรอยชื้นๆของเดิมนำเลตัวสวกาันมันจะตัวนำล่องให้กิเลสเข้ามาหาจิตใการสันดาห์ ไม่ใช่ฉันา น, นตัวอุตสัยเป็นความเคยใจได้ยินท่านดว่าจิตประพัสอนะครับจิตประพัสจิตของยใสสว่างสวัยแต่ไม่บริสุทธิ์มีสองคําะคำว่าประพัดสอนเนี่ยาาว่าบริสุทธิ์ที่คำว่าบริสุทธิ์นี่ ธรรมชาติจิตของทุกคนนะี้และโดยตัวมันเองก็พัดสอนมนมันของใสแต่ว่ามันมองไปกลางตาเองกิเลสผ่านเห็นพระจันสว่างเลขมาเป็นปิตาวาพระจันทร์เนี่ยพอพัดสอนพราทิตเนีย่ยพอพัสอสว่า ง, งนี้นะคือตัวจิตเองก็ของใสงในเนื่องตัวของมันเองเวลาที่ไม่มีกเิเลสมีกิเลสก็มาครอบงนี่บางคนไปได้ยินว่า ธรรมชาติเดิมของจิตต่ัดสอนไม่เข้าใจผิดธรรมชาติเดิมของจิตเรืนบริสุทธิ์จิตไม่บริสุทธิ์จิตเราเือคนน่นด้วยอาสวะกิเลสลอเจือพนด้วยอนุสัยสามนรธตลอเไมบริสุทธเป็นน้ำใสใสน้ำใสบอกน้ำประพัดสอนอาจจะมีเชื้อโรคเป็นน้ำนี่ไม่บริสุทธิ์ แต่ส่ใสกับองค์ที่สุดตัวจิตผู้รู้เอาขั้น ส, สอนมะสว่างอนะ่ะจิตจิตของแต่ละคนจะมีแสงไม่มหเห ม, มือนกัน้เท่ากัน้าเด็จิตขอวไม่าวนามืนมวัวัวคนภานาจะมีแสงเหมือนแสงดาวแสงครณาวนนะแสงก้างกวางไปได้วย ก็มีสีต่างกันสีสีนี่เป็นลิมิตเป็นนิมิตของคนที่จะใช้เจโตแต่ว่าใช้เจโตตรงๆไม่ได้ก็เลยเลี่ย ง, งไปใช้จิตประจักสุขแทนเพื่อเกิด น, นิมิตขึ้นเพื่อเป็นสื่อเพื่อจะแปลจริงว่าจิตเป็นยังไงโดยสือเรีงดับคำพูดถ้าเจโตแท้ๆไม่ต้องถามสีเลยคืออย่างรู้จิตผู้อื่นด้วยจิตของตนตรงกับคำนี้ไปเลยไม่มีคำอื่นแล้ว ไม่ต้องผ่านแสงสีเสียงอะไรก็สิ่งที่พีสอนง่ายๆจื่นอนมันยังไม่เข้าไาในความคิดน้องน้องี่เกี่นั้นิเลยังไม่ทันจะทงานอย่างที่โยมเล่าก็มีอันนั้นเป็นนิิตมก็ไม่ใช่อันไหนน้าเล่าซ้อที่ดข้ที่โยมเล่าถ้าพูดถึงแสงใช่ไหม คือว่าพี่พยมอันนั้นเป็นนิมิตเหออันนั้นเป็นนิมิตี่แสงที่ที่ยวนมันสาส่วนมันรวกันเี่ยคเนิมิตนะยมหาว่าไงเป็นการบ้านรจิต้ค้ที่จิตคิด ก็สติต้องฝึกอยู่เรื่อยๆนะสติเป็นธรรมที่สำคัญมากหลวงพุทธเทศสรหลงพ่อสติจำเป็นในพิธุษสถานในการทุกเมื่อขาดสติอย่างเดียวจิตจะดำคือสันติและต้องพยายามมีสติแล้วการฝึกมีสติก็คือการเดินจมกรมไม่ใช่ สติเนี่ยมีธีรัสัญญา เ, เกิดเหตุใกล้ให้เกิดธีรัสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แน่นอย่างของคุณเนี่ยเราก็แนะนําให้ไปดูตัวนี้นะเวลาปีติเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้าปีติเข้ามาครอบวมจิตให้รู้ทันมันเกิดบ่อยดังนั้นปีติเกิดเรารู้ทันปีติครอบงำจิตเรารู้ทันต่อไปโดยที่เราไม่ได้เจตนาเลยพอปีติเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองวันไหนที่โมโห ก็ไปหาดูจิตที่โมโหใจิตมันคุ้นเคยกับสภาวะของควาโมโมโหจิตมันโรกรธขึ้นต่อไปพอจิตมันโกรธทีนี้เดี๋ยวรู้ตัวสติเราเลื่อเลยโกรธลสติเป็นรรตัวรู้รรมเรได้ติก็เป็นที่ัญญาที่มีมอารมณ์ัญญาใ น, ในตัวปีติผู้เจ้า จ, าจะตัว่าให้รู้าตาโวดถ้ามันจะเกิดปิติเกิด ประที่เกิดสุขเกิดสมาธิตมอย่างสักรูนกถ้ า, าสุขย้อมอยู่นะก็หยุด อ, อยู่แค่นั้นเลยครในโคตรชงถ้ารู้ต่างกันขึ้นขึ้นขึ้นไปคุพ่อเจ้าไอา้อยาน้สักครู่ให้กับเรียหลวพอค่ะว่าจากกะกล่าวสกครู่จิตมันติดติมันเหม่นกับจะรับหลังออกมาแล้วมันควบคุมมันก ร, กกรุกกริกๆุกกรงลิกอย่างนี้ค่ะคือ มันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นหรือว่าเราต้องดูตัวไหนที่บอกว่ามีสติผู้ตามปกติของเจิตมีปีติขึ้นมารู้สันจิตไม่อยากให้ปีติเกิดขึ้นเลยหายเขาอะไรเงี้ยรู้ความไม่พอใจในปีติพยายามคุมตัวเองไหมเวลาปีติเกิมันไม่เคยอะค่ะมันต้องฝึกแบบไหนนะคะคือมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอะค่ะเอาเจอไหนาเกิดบ่อยเอาเจอแล้วแหละ ไหาดูนไหนคิดโลกก็ดูจิตโลกตอนไหนคิดโกรธก็ดูจิตโกรธตนไหนช่างคิดก็ดูจิตสร้างมันมีทุ ก, ทกตัวมันมีเยอะมากววดูจิตสร้างดูจิตสร้างรต่อนี้เป็นตัวหลักเลยลเอ้วอย่างที่เหตุการณ์เมื่อคิดดี้วแต่วต่าตาสตาหลวงพ่อเลยไปรวบเข้ามา <c oughs> ไปจำได้ดีชนะ ก็รอดมากเลยพอเขาเวลานั้งสุขามันต้มมรู้สึกว่ากำลังหายใจออกครับดั้นสมองคืออะไรที่เป็นธรรมชาติไม่เป็นวิปัสสนาแน่ข้าพเจ้าหลวงพว่าเนลวงพูดดูนพูดถึงว่าเวลาคนตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นรูปปรามปรามนุกรมหรือรูปถอดในนั้นมันก็เกิดตับของมันนะฮะนมอ่า มาตรฐานตัวจริงอยู่ที่เนี่ยมันมันไม่ใช่แบบถาวรนะเนี่ยไม่ใช่วิญญาณล่องลอยแต่ว่ามันหมุนด้วยกรรมคช่หแสนกับมีกรรมเหล่านี้โยมอยากเกณฑ์ขามหลวงอเรื่องปิติเมื่อกี้พูดปิติปิตินี่มันเกิดได้ขึ้นแค่ขนาดได้ทำชั่วมีปิติหรือไงอยังอย่างโยมเนี่ยเวลานึกมันก็ขึ้นมันเย็นชําขึ้นมาในจิตในหน้าอกขนลุกก็เห็นไป ไม่มีไม่เป็นไม่ค่ว่าไม่ทําให้ไปทดลองไปดูหรอกจำได้อย่างเตมาวนี่เรื <S <S 2> <S 2> ่องยอยากทราบว่านะถ้าผ่านตัวนี้ได้สบายจิจะตั้งมั่นจริงๆยอยากทราบว่าตัวปิติเนี่ยจะทําให้เป็นอุปสรรคกับวิปัสสนาไหมไม่เป็นปิติก็สอนวิปัสสนาได้ปิติก็ไม่เที่ยง บิตี่ก็ส่วนเดียวไม่ได้บิตี่ก็บังคับไม่ได้ใช่ใชอันนี้เที่ยงแรงแต่ยอแรงใช่ไมใช่ไ่ได้ยินท่านพู้ที่าาาวา่าเสติพูดเรื่องสติแล้วว่าเผลอถ้าถามว่าเผลอกี่ครั้งวันละกี่ครั้งแลว้วบอกเผลอหลายครังบบ้งกับตืนของดี คนปกติเนี่ยไม่เคยเจริญสติ เ, ยเาาลยเฝลรครั้งเฝ <c oughs> อ้าแตา่ตื่จะหลับนะนเนไปรู้สึกตัวเลยนี้ส่วนเราเฝอไปห้หนาทีรู้สึกตัวตัว้งแต่แปบเดียมันจะเคยอีกเฝอไอีกสิบนาทีรู้สึกอีกันยิ่งยิ่งเฝอสั้นลงนะยิ่งดีเป็นสติและพัฒนาเมื่อตอนจะมา ดูเนะนาทีหนึ่งเกือบได้สกว่าลทีน่งนอนานาทีเดียวเนะ ก, กืกกกกเอกนะว่านังนงะโ้เมากเลยว่าที่เมื่อกี้เนหน้าที่เขาอติดอีณีตอนปลายปีเ็าไ้วเองการที่เกดีกิดังมดังไหมอ๋อหลเพลนบกหนูเรื่องที่แบบไปคิดปล่อยขึ้นนะคะ มผมก็เลยอยากะทรบว่าคือเวลาที่เราเกิดแก่แนานบ่อยๆแล้วเราฝึกดตัวนั้นบ่ อ, อ, อ, อ, อยๆ ม, มันะทำ้สของข้นไหมเราฝึกจิมั่งตรงหอลากช่ตดีขึ้นนะมตัวรู้สึกว่ามันดีนแต่มันไม่ไรู้ว่ามันมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงขนนมันเปลี่ยนไ้ใจมันค่อยรูยย้ตัวแจมันค่อตั้งั่ น, น้นแ้ก็ยังแบบทกััน สวนมนต์ไปเรื right. Just, ่อๆคิดถึงพระพดทธเจ้าถึงคุณหลวท่านหลวพ่อไหว้พระบ่อยนะไหว้พระหลายทีนับไม่ถู้วนสวดมนต์มาอกี่ครั้งมีเวลาก็สวดมนต์ไหว้พระใื้บทไหนใช้บทไหนลาสตัว ก็อีนสว่าคราบโตอินดีพิโสอะไรนี่แหละบทไหนบทพวกนี้ดีนะดีพิโสสว่างาวโตสุรจิตันเหมนเป็นบทที่เคยผานตัวบทสอพระเจ้าเหมือนสวดเองได้ใช่ไ้ยคะพี่ยอมทำงานแล้วเีเสียงสวดได้อยากให้หลงพ่อพูดถึงเรื่องความกังวลใจเป็นเรื่องที่ความคิดที่มันตายยืดไปคนเด่ไม่ค่อยรู้ว่า กำลังคิดอยู่คุณหมอสอนได้ไนน <c oughs> คุณหมอถ้มีปัญหาเดียวคุณไม่ได้ใส่ชีวอนอันนี้แค่นีเ้เดียวขอบคุณคุณนนเยอะจะสอนต่อกันทุกวันทุกวันนะ หยุดมันจะไม่สอนธรรมะทีมจะรวมพระพุทธเจ้าท่านก็หยุดท่านหยุดแต่ท่านหยุดทีนานๆนะทีท่านหยุดตั้ง3เดือนขอบคุณครับ